ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึง่งวันนี้ต้องกับวันที่สิบเดือนตุลาคมปศสองพัห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติสักหน่อยจะพูดถึงเรื่องเทคนิคกล้องหลวงพ่อเทียน จิตตสุโพรครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยท่านก็มีเทคนิค ก, การปฏิบัติอาจะจะแตกต่างกันแต่ผมจำได้สักสั้นๆว่าหลวงวทีรน์เนี่ยคือท่านเน้นมากในเรื่องการให้ขยันเคลื่อนไหว แล้วก็ขยันรู้สึกตัวเนี่ทตามให้ต่อเนื่องกันไปถ้าว่าการขยันเคลื่อนไหวขยันรู้สึกตัวแล้วเนี่ยถ้าเราทำต่อเนื่องกันไปนานๆเนะี่ยเราก็จะเห็นรูปเห็นนามหลังจากเห็นรูปเห็นนามแล้วก็จะไปเห็นความคิด เนี่ยต่อจากรูปนามนี่ถ้าเราเห็นความคิดแล้วเนี่ยหลวงม่เทียนจะบอกว่าให้วางอารมณ์รูปนามแล้วอย่าไปสนใจให้มันสนใจเรื่องความคิดในการดูความคิดในการเห็นความคิดเมื่อเห็นความคิดแล้วเนี่ยก็ทิ้งเลย รู้แล้วทิ้งเลยรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องไปให้เหตุให้ผลแลกความคิดพอเห็นความคิดปุ๊บ ก, ก็รู้ปับ๊บแล้วก็ทิ้งเลยเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคของท่านเพราะว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันนําเอากิเลสมาอนุสัยสังโยชน์ ความอยากต่างๆก็มาความคิดแต่เงี้ยะซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์อันนี้ล่ะต่านบอกว่าการเจริญสติเรื่องการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยลวงพ่อเทียนบอกให้ขยันเคลื่อนไหวขยนันรู้แล้วก็ทําให้ต่อเนื่องกันไปเนี่ย แต่ว่าการตั้งความรู้สึกทวงท่านเนี่ยท่านบอกว่าให้ทําแบบสบายๆไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะให้รู้สึกตัวไปกับอการปฏิบัติแล้วก็ทําไม่ต่อเนื่องกันไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลย ทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบและประเด็นที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออย่าหวังผลถ้าแบบไม่หวังผลเนี่ยและการปฏิบัติจะสบายอันนี้คือเทคนิคของหลุงพ่อเทียนจิตสุโพ